การมาทำว่าสวดมนต์นะมันเป็นช่วงเวลาของการพิจารณาถึงสัจธรรมคือความจริงของชีวิตถ้าเราไม่สวดเอาแต่พอเป็นพิธีแต่ว่าพิจารณาใคร่ครวนในแต่ละประโยคอันที่เราสาธยายเนี่ยมันก็จะได้ข้อเตือนใจเตือนใจถึง สัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่เราต้องประสบพบเจอสัจธรรมความจริงอย่างเนื้อคือว่าทุกเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตมันอยู่ในเนื้อในตัวของทุกชีวิตเลยอันนี้เมื่อเราใคร่ควรพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เกิดความไม่ประมาท เดยเพราะในยามที่เรามีชีวิตที่ราบรื่นปกติหรือมีชีวิตที่ผาสุขจริงๆะคะที่เรามีความสุขนะจะเป็นเพราะว่ามีสุขภาพดีมีพลานามัยมีทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ เพื่อกูณต่อชีวิตที่จเจริญงอกงามมีทรัพย์มีคนรักมีครอบครัวมีการงานที่มั่นคงในทุกขณะนะของอชีวิตหรือภาวะที่ว่าเนี่ยมันก็มีทุกข์แฝงอยู่นะ เพียแต่ว่ามันอาจจะเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะมีความหิวบ้างความกระหายความปวดความเมื่อยอาจจะปวดหนักปวดเบามีความเจ็บป่วยบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าความสุขเนี่ย คือความปกติสุขเนี่ยมันมีมากกว่ามันเด่นกว่าเราก็เลยถือว่าเออเนี่ยคือความสุขแต่เราก็อย่าประมาทนะเพราะว่าพอมาถึงช่วงหนึ่งหรือบางช่วงของชีวิตเนี่ยอาจจะเจอกับความทุกข์แรงๆซึ่งมันมักจะมาในช่วงที่เรา กำลังพุ่งหรือกำลังรุง่งหรือในช่วงขาขึ้นก็ได้บางทีความทุกข์แรมก็มาในยามที่เราเผลอหรือว่าตั้งตัวไม่ติดาบางคนก็มีชีวิตที่ราบรื่นราบเรียนมาตลอดจนกระทั่งพอถึงวัยกลางคนก็เกิดป่วยหนักหรือว่าเกิดสูญเสียคนรัก พัดพลากจากคู่ครองเรียกว่าเจอวิกฤตในชีวิตทั้งที่ชีวิตที่ผ่านมามันก็ราบรื่นราบเรียบมาโดยตลอดแต่มันมาหักหมูเมาในตอน ก, นกลางๆก็มีหรือบางคนอาจจะเจอตั้งแต่ยังเด็ก ยังหลุมยังสาวก็ได้มันก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแม้นขณที่ยังไม่เกิดขณะที่ชีวอเรายังราบเรื่อนก็อย่าได้ประมาทนะอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ความทุกข์มันอย่างเอาแล้วในขณะนี้แต่มันก็อาจจะแสดงตัวไม่รุนแรงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะแสดงตัวที่รุนแรงมากขึ้นหรือเกิดปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาในชีวิตนะ ที่เรายังมีชีวิต ท, ที่ราบรื่นผาสุกเราก็ไม่ประมาทแต่ในเวลาเดียในทำนองเดียวกันนะหรือในอีกด้านหนึ่งเนะี่ยเมื่อใดที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้อง อ, อย่าปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์จนสิ้นหวัง ในยามสุขก็ไม่เพลินกับสุขนี่ยามทุกข์ก็ไม่จมทุกข์จนอดอะไรใจอยากกับชีวิตอันมันไม่ใช่ในงานที่เราเจอความทุกข์เนี่ยให้เรามีความหวังหรือความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าเราจะฝ่าข้ามมันไปได้ คนที่ประสบะความยากจนแร้นแค้นจนมนไม่น้อยเลยนะเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความร้านแค้นไปได้หรือบางครั้งเนี่ยเจองานที่โหดหิ น, นะเรียกว่าทำให้เครียดทำให้กลุ้มแต่พอตั้งหลักได้ ก็สามารถทจะฟันฝ่ามันจนสำเร็จอย่างเช่นคนที่เรียนจบจนได้ปริญญาไม่ใช่ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเลยทีเดียวทั้งที่แต่ละวิชาก็โหดถินมากแต่เพราะความทุ่มเทนะ แม้ว่าจะลำบากจะล้มเหลว อ, อย่างไรนะในช่วงแรกๆเพราะวิชามันยากเพราะไม่รู้ภาษาต้องมาเรียนภาษาของเขาใหม่เลยมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเยอร ม, มันหรือภาษาจีนแต่ก็ไม่ย่อท้อเรียกว่าภาคเพียนมุ่งมั่น แม่จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเขาก็สู้แม่อาจารย์นี่จะจะหินนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยความภาคเพียนนะจนเรียนจบมาได้นะด้วยคะแนนที่ดี อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความอดทนความภาคเพียนล้วคนเรา ม, มีสัยภาพนในการที่จะก้าวข้ามฟันฝ่าความทุกข์ไม่ว่ามันจะมาในรูปใดและสิ่งสำคัญนี้คือความอดทนนะขันติและความเพียนพยายามแ้วความเพียนเนี่ยภาษาบาลีว่าวิริยะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับควาว่าวีระนะ คือความกล้าคือไม่ไม่กลัวไม่ขั้นครั่งต่ออุปสรรคเนี่ยเพราะเชื่อมันในความเพียรพระพุทธเจ้าก็ตัดเองเนะว่ามนุษย์เราเนี่ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียร น, นี่มันเป็นกุญแจสําคัญเลยในการที่จะทําให้คนเราเก้าวข้ามผ่านทุกข์ไปได้แต่นอกจาก ขันตินอกจากความอดท น, นกจากความเพียรแล้วนี่ปัญญาก็สําคัญนะบางครั้งเนี่ยมันเราเจ อ, อกจากความทุกข์ออกจากความยากลำบากได้มันก็ต้องอาศัยปัญญาเพื่อหาทางออกด้วยอย่างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะหรือช่วงโควิดแพร่ระบาดนี่เรื่องอาชีพการงานเรื่องธุรกิจของหลายคนก็เดือดร้อนกันมาก บางคนก็ตกงานบางคนธุรกิจก็ต้องปิดตัวแต่ก็สามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้นะเพราะใส่ทั้งความเพียรนะใส่ทั้งความอดทนรอดใส่สติปัญญาอย่างบางคนเป็นพนัก ง, งานต้อนรับบนเครื่องบินพอตกงานเขา้าก็ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายทุเรียน อาศัยช่องทางทางเฟซบุ๊กทาง l ลน e ทางโซเชียลมีเดียไม่รู้เรื่องทุเรียนเลยนะก็เรียนจนกทั้งรู้ชนิดของทุเรียนรู้รสชาติว่าแบบไหนเหมาะกับคนประเภทใดสามารถจะแนะนำลูกค้าว่าลองชิม ทุเรียนชนิดนี้ดูนะเรียกว่ามีการให้บริการด้วยนะให้คำแนะนำไม่เคยปอกทุเรียนอ่ะก็ปอกเองจนชำนาญเรียนเอาทาง YouTube ก็มีสุดท้ายก็ก็มีรายได้นะที่เรียกว่าดีทีเดียวดีกว่าตอนที่เป็นพนักงานต้อนรอบับบนเครื่องบินอีกหรือบางคนนี่ก็มาเปิดกิจการ ขายของตกงานไม่มีเงินเดือนก็มาขายของทางออนไลน์นะขายอุปกรณ์ป้องกันโควิดหรือสมุนไพรที่ช่วยทำให้ห่างไกลาจากโควิดเขาก็มีรายได้กระเตืองขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในที่สุดอันนี้เรียกว่าก้าวข้ามผ่านทุกได้นะด้วย ความเพียรแล้วก็ด้วยปัญญาแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังบางครั้งอาจจะมีความท้อเพียรพยายามยังไงมันก็ยังลำบากอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่แต่ก็ให้มีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าความทุกข์นี่ยังไ ง, งไงมันก็ไม่เที่ยงนะสักวันมันก็จะ ผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปอันนี้มันเป็นเป็นคาถาเป็นเป็นมนนะทีเ่เราควรจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอในยามที่เจอความทุกข์เนี่ยแม้ว่าอย่างฟันฝ่ามันไม่สําเร็จนะแต่ก็ให้เชื่อว่าแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะความทุกข์ก็จะเหนือความสุขนะมันไม่เที่ยง มันไม่มีทางที่จะคงทงยั่งยืนไปตลอดกาลอากาศไม่ว่ามันจะหนาวสุดๆหรือว่าร้อนเปรี้ยงร้อนอ้าวเนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นไปตลอดในสุดอากาศหนาวนะมันก็คลายไปความร้อนอ้าวในสุดมันก็ผ่านไปโควิดก็เช่นเดียวกันนะ ในสุดมันก็มีวันสิ้นสุดนะมันจะระบาดหนักหนายเพียงใดในที่สุดมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดภาวะเศรษฐกิจที่ยแย่่หรือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเคยนะทำให้ผู้คนตกระรมลำบากกันทั้งประเทศทั้งโลกในสุดก็ต้องผ่านพ้นไปสงครามจะ เร็วลายแค่ไหนมันก็มีเวลาของมันเช่นยวความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยเนี่ยหล้บางครั้งจะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากนะแต่ว่ามันก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะแต่เราก็ตามเนี่ยในขณะที่มันยังไม่ยังไม่ผ่านพ้นไป ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเออมันจะมีวันสิ้นสุดเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจนะแต่ในขณะที่มันยังไม่ผ่านพ้นไปอย่างหนึ่งที่มันช่วยได้คือให้เรามีความเชื่อว่าเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับทุก์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกสามารถจะอยู่กับมันได้นะไม่ได้ได้วความรู้สึกที่ย่ำแย่ เสียศูนย์ไม่ว่ามันจะเป็นทุกข์อะไรก็ตามคนที่เกิดพิการขึ้นมาเกิดทุกข์พลภาพขึ้นมาอาจจะนมไม่น้อยนะจะเรียกว่าร้อยท้องร้อยก็ได้เลยก็ได้นะชีรกนี่ก็ทุกข์มากเลยแต่แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับความ ทุกพลภาพหรือความพิการได้ไม่ว่าจะเป็นตาบอดหรือว่าเสียแขนเสียขาสามารถที่จะหัวเราะได้สามารถที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทั้งที่อาการหรือความทุกข์นั้นก็ยังอยู่นะมันยังไม่ผ่านเลยไป แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือนะความรู้สึกนะจากที่เคยทุกข์รู้สึกตกต่ำย่ำแยนะ่จนบางทีคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ตัวหลังนี้ก็สามารถที่จะยิบย้มแจ่มใสได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าไอ้ความรู้สึกทุกข์เนี่ย มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสภาวะที่ทำให้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดจากสภาวะนั้นเรียกว่าทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะการเวลามันก็ช่วยเยียวยาจิตใจทำให้คลายความทุกข์ลง แต่มไม่ใช่เป็นเพราะว่าธรรมชาติของทุกข์ที่มันไม่เที่ยงนะแต่เป็นเพราะคนเรามีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้อยู่กับสภาวะที่เป็นทุกข์ได้มนุษย์เรานี่มีความสามารถที่สูงมากนะในเรื่องความยืดหยุ่นในเรื่องการปรับตัวทั้งกายและใจขอเพียงแต่ให้เวลา แล้วก็ไม่ท้อแท้จากเดิมที่เคยมีร่างกายครบถ้วนแล้วร่างกายเริ่มนะแปรเปลี่ยนไปพิการอมาัมพฤกษ์อมาาัมพาตใจเราก็ปรับตัวได้นะแต่นอกจากการปรับตัวแล้วเนี่ย มันส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องการวางใจด้วยคนบางคนนี่เขาเสียขาจะเป็นเพราะอุบัติเหตุก็ตามหรือจะเป็นเพราะสงครามก็ตามขณะที่บางคนเนี่ยโอยร้องข้ามควรทำไมถึงต้องเป็นชั้นพอรู้ตัวอตัวยังเสียขาเพราะกับระเบิด เสียใจมากจนอยากจะฆ่าตัวตายแต่มีบางคนเขาเขาสามารถที่จะยิ้มได้ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เขารู้สึกโชคดีนะที่แม้จะเสียขาแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดนะ ได้กลับไปสู่อ้อม อ, อกของพ่อแม่คนรักอันนี้เป็นเรื่องการวางใจนะทั้งที่เสียขาแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นทุกข์ที่ย่ำแย่นะแต่เขาก็ยังมองเขาเป็นความเป็นความโชคดีที่ยังรอดตายเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะเป็นมะเร็งั้งทีงก็ลุกลามอย่างท่าน ขั้น3ขั้น4แต่ว่าก็ยังยิ้มได้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้เพราะเขารู้จักวางใจเป็นเพราะเขายอมรับนะความจริงได้หรือเขาสามารถที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากธรรมะ ที่เกิดจากสติสมาธิพม้วก เ, เรามีวิธีการนะหลายอย่างนะในการที่จะรับมือความทุกข์แม้ว่ามันจะยังไม่เลือนหายไปแล้วความทุกข์บางอย่างก็อาจจะอยู่กับเราไปตลอดเลยก็ได้นะเช่นความพิกการเนี่ยพิการโดยที่ไม่สามารถจีตใจเยียวยารักษา ห, หายได้หรือโรครายที่ไม่มียารักษาเนี่ย แต่คนเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับมันได้นะด้วยใจที่ไม่ทุกข์เมื่อปีที่แล้วนี่มันมีในรายการที่มีชื่อนะของฝรั่งนะของอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ทัเลนต์มีผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยมาขึ้นเวทีแข่งขันนะมันเป็นรายการประกวดอายุไม่ถึงสามสิบหน้าตาเธอยิ้มย้นจจ่มใส ตอบคำถามด้วยรอยยิ้มทุกคำถามแล้วเธอก็มาร้องเพลงที่เธอแต่งเองเนี่ยซึ่งไพเราะมากและมีเนื้อหาที่ดีชื่อว่า it is okay แปลว่าไม่เป็นไรนะเพลงมันทั้งเพราะแล้วก็กินใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมผู้ฟังมากเพราะว่า เธอพูดจากเธอร้องเพลงจากประสบการณ์ของชีวิตจริงของเธอเธอเนี่ยเป็นมีมะเร็งนะเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ลุกลาม ไ, ไปถึง3มจุดนะที่ปอดที่ตับที่กระดูกสันหลังหมอบอกว่าโอกาสจะอยู่รอดแค่สเปอร์เซ็นตะ์ต้องกรรมาการทุกคนฟังพอฟังเรื่องราวเธอแล้ว ตะลึงเลยนะเพราะว่าเธอไม่มีเธอไม่แสดงถึงความทุกข์หรือความสิ้นหวังเลยแต่เธอรล้ ว, ว่าเนี่ยใหม่ๆเธอแย่มากนะเพราะรู้ความจริงเนี่ยคล่ำครวญเลยนะว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นฉันฉันทำอะไรมาถึงต้องมาเจอแบบนี้นี่อยากจะนอนโดยไม่ตื่นเลย อยากจะลืมว่าฉันเป็นใครฉันเจออะไรมายิ่งเจอสามีหรือคนรักเนี่ยอยา่าทิ้งเธอไปเธอยิ่งแย่แต่ว่าโชคดีนะเธอบอกว่าเนี่ยถึงในในภาวะในยามที่แย่เนี่ฉันก็ยังมีคนที่รักฉันมีเพื่อนที่ยอมโกนหัวเป็นเพื่อนเธอเพราะเธอต้องฉายแสงจีคือโมอก็ต้องผมร่วงเพื่อนก็ยอมโกนโกนหัวเป็นเพื่อนเธอ พ่อแม่ก็มาโอบกอดให้กำลังใจน้องก็มาช่วยเหลือเธอรูปอย่างเธอก็เลยเริ่มรู้สึกมีความหวังแล้วเธอบอกเนี่ยมาร้องเพลงเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญมอบของขวัญใี้กับผู้ฟังของขวัญนคืออะไรของขวัญนั้น ค, ออนนคือคาปลอบโยนว่าเนี่ยเธอพวกคุณยังโชคดีนะที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยสำหรับคนที่เจ็บป่วยเนี่ย นะเธอก็มาให้กำลังใจนะว่าเนี่ยมันยังไม่เป็นไรนะ It is okay มันยังไม่เป็นไรนะคนยังสามารถที่มีชีวิตที่ผาสุกหรือมีจิตใจที่เบิกบานได้เหมือนอย่างเธอนะนะกรรมการคนหนึ่งบอกโอ้ไม่เชื่อเลยนะว่าเธอนี่จะทั้งที่ป่วยขนาดนี้ยังมีรอยยิ้มที่แจ่มใสที่งดงามมาก เมื่อคนปกติเลยที่จริงการที่เธอมาร้องเพลงเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้เธอมีรอยยิ้มนะส่วนหนึ่งก็ทําให้เธอลืมความทุกข์และส่วนหนึ่งก็ทําให้เมือนก็เป็นการเตือนใจตัวเองปลอบใจตัวเองได้ว่าเนี่ยยังไม่เป็นไรนะเธอผู้่อไดีนะตอนท้ายเนี่ยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จะบอกว่าเนี่ยคนเราไม่ต้องรอให้ สุขสบายหรือรอให้ไม่ยากลำบากเสียก่อนนะจึงค่อยตัดสินที่จะมีความสุขเมื่อคำพูดนี้มันมีความหมายมากเลยไม่เดียพึ่งอย่าไปรอว่าเมื่อสุขสบายแล้วเนี่ยจึงจะตัดสินที่จะมีความสุขเราสามารถจะมีความสุขได้เดี๋ยวนีม้ม้ยังมีความยากลำบากอยู่ไอความสึกสุขหรือทุกข์นี่มันก็อยู่ที่การเลือกนะอยู่ที่การตัดสินเหมือนกันการตัดสินใจ บางคนต้องรอให้สบายก่อนนั้นฉันถึงจะตัดสินใจมีความสุขได้หรือบอกตัวว่าฉันมีความสุขแล้วไม่ต้องรอแม้จะมีความทุกข์ก็สามารถจะมีความสุขได้เลยมันอยู่ที่การเลือกของเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ทั้งที่ไอความทุกข์นี้ไม่รู้ว่ามันจะหรือความเจ็บป่วยไม่รู้่ามันจะจางหายไปเมื่อไหร่ หรื่จะอยู่ไปจนตายก็ได้แต่จะอยู่ได้นี่มึงคนเรา ม, มีศักยภาพที่จะอยู่ได้นะอยู่กับความทุกข์รุ่งอยู่ร่วงความทุกข์กได้แต่มันต้องอาศัยการฝึกใจการวางใจที่ถูกต้องอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยอาจารย์กำพลทองบุญนมเนี่ยพิการตลอดชีวิตในความพิการเนี่ยอยู่กับอาจารย์กำพลไปจนตลอดชีวิตเลยแต่ว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับท่านเนี่ย ไปตลอดท่านสามารถอยู่กับความพิการได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์หนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยนะหรือที่ว่าแม้กายจิ ต, จ ต, จตสดใสแม่กายพิการสดใสได้เพราะอะไรเพราะอาศัยกําลังของสติจเจริญสติจกนกระทั่งเห็นเลยนะว่าไอ้ที่พิการเนี่ยไม่ใช่ฉันพิการนะมันเป็นแค่กายพิการ แต่ก่อนนี้ไปหลงคิดว่าเนี่ยฉันพิการฉันพิการที่จริงไม่ใช่การเจริญสติทำให้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามทําให้รู้ว่ามันไม่มีเรามันไม่มีกูมันมีแต่รูปกับนามไอ้ที่ทุกข์นี่มันเป็นรูปที่ทุกข์นะไม่ใช่กูทุกข์ไอ้ที่พิการเนี่ยมันคือกายที่พิการไม่ใช่กูพิการพอเห็นอย่างนี้นะจิตออกจากความทุกข์เลยนะออกจากความพิการเล ย, ยดิ้นแจ้งแจ่มใสได้เนี่ยหรือว่า จิตสดใสแม้กายพิการหรือดอูอความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์และนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้นะถ้าเราหมั่นเตือนใจตัวเองในยามที่ยังสุขสบายดีอยู่เตือนใจให้ไม่ประมาทเพราะถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงก็จะได้ยอมรับมันได้ไม่อดครวญไม่คลำครวญ และให้ดีกว่านั้นคือว่าฝึกจิตเอาไว้ไว้ก่อนฝึกเอาไว้ฝึกสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาเพราะว่ายังไงได้ใช้แน่นะใช้ทั้งในยามที่เป็นปกติสุขแล้วก็ได้ใช้ในยามที่เจอวิกฤตในชีวิตมันไม่มีทางที่จะหลีเกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือถึงยังถึงมันจะยังอยู่นะก็สามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกหรือด้วยใจที่สดใสก็ได้อ้าชาติภูกธะธนีนะครับ